ขอเจริญพรออทุกท่านนะครับคิดว่าคุยนนี้อาจจะเป็นลักษณะว่าคุยไปแบบถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่สงสัยหรือว่าอยากจะแสดงความเห็นก็ <c oughs> กแทรกขึ้นมาได้เลยนะเพราะว่าจะได้เป็นแบบธรรมชาติหน่อยน ะ, ะ, ยะผมขออนุญาตที่ประชุมนะว่าถ้าจะหลวงพี่จักรุนาพูดถึงศาสนาฮิดูสักสินาีได้เนี่ยก็จะ จะดีนะครับตอนนี้เหรอก็ในในการไปเรื่อยๆเพราะอันนี้พอพอดีผวกเราเนี่ยฟังศาสนามาใหญ่ๆมาหมดนะครับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอันนี้ซึ่งมีคนหนึ่งพันร้านคนที่นับถืออยู่ประมาณ 20% อร์ซของโลกเรายังไม่ได้สัมผัสเลยก็จะแซดกันไปตอนท้ายๆก็ได้หรือว่าระหว่างกลาง ตมาก็อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่ามามา้จจักกับท่านทัดันได้ยังไงนะก็อันนี้ก็ต้องอเป็นคุณอุปก า, ออ า, ารหัอาจารย์สุรักษ์อาจารย์สุรักษ์เป็นผู้ซึ่งท่านรู้จักปราดาที่ไม่ค่อยเป็นรู้จักเป็นคนที่ไม่ปราดที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในเมืองไทยเนี่ยท่านจะก็จะมาเป็นสะพานให้พวกเราได้รู้จักอยู่เสมอนะเช่น ไอวานอินลิชเปาโลแฟร์ท่านนักทันนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มารู้จักก็เพราะว่าอาจารย์สุรักษ์ได้เชิญได้นิมลท่านนักทันนี่มาในที่ประชุมที่เราเรียกว่าอาสมแปซิฟ i กนะฮะซึ่งนั่นคือประมาณปี18นะในอาสมน Pacific นี่ก็มีหลายคนที่มาร่วม ที่เด่นๆก็มีท่านเจ้าคุณธรรมปิดกหรือว่าเจ้าคุณพรมคุณาพรแลวก็แลอ่สวามีอาคคณิเวทชาวอินเดียแต่คนที่โดดเด่นที่สุดในอาศร์แปซิฟิกซึ่งจัดที่วัดาลาดเชียงใหม่ก็คือท่านนทธันนะท่านนะทัา น, น, าทนตอนนั้นเนี่ยท่านอา่ ท่านเป็นมีชื่อในเรื่องของผู้นําขบวนการสันติภาพเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสงครามเวียดนามยังเกิดขึ้นอยู่สงครามเวียดนามสิ้นสุดประมาณ30 S <S Pacific, เมษาหนึ่งแปอศนแปซิฟิกมีในช่วงต้นเดือนเมษาก็เป็นช่วงที่สงครามเวียดนามกำลังกำลังใกล้จะปิดฉากแต่ท่านนทธนก็เข้าเวียดนามไม่ได้นะเพราะว่าเนื่องจาก การที่ท่านเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องของกระบวนการสันติภาพในเวียดนามดยเพาะผูน้นํากระบวนการชาวพุทธเนี่ยที่เรียกร้องสันติภาพเนี่ยและเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยชาวพุทธในเวียดนามเขาก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งมากในเรื่องการต่อต้านรัฐบาลสามารถที่จะโค่นล้มรัฐบาลหลายชุดโดยสันติวิธีโดยการใช้อหิงสา ภาพที่เราเห็นเด่นชัดภาพนั้นก็คือภาพพระเผาตัวนั่นคือติดกวงดุกในปี06นะ์หก อ, อต่อต้านรัฐบาลงวดินเดียมแล้วรัฐบาลหลังจากนั้นต่อมาก็ถูกต่อต้านโดวยวิธีสันตนะิซึ่งลงไปถึงการเผาตัวด้วยโดยพระแล้วก็โดยคารวะอีกหลายคนนะ ซึ่งนี้เราก็คงเถียงกันได้ว่าไอ้การเผาตัวเนี่ยมันสันติยังไงแต่สาหรับผู้ที่ถูกเผาเนี่ยเขาก็สงบมากนะฮะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เจ็บปวดหรือว่าวิ่งหนีความทุกข์อะไรเลยนิ่งสงบนะคือท่านาานัทธาเนี่ยท่านก็เออเป็นผู้นำขบวนการเนี่ยแล้วก็ มีบทบาทสำคัญมากเพราะว่าท่านไปหล่นลงที่อเมริกาท่านไปได้รับการไปสอนที่อเมริกาเข้าใจว่าจะเป็นมาอัลเทียโคลอมเบียนะเพราะว่าท่านเป็นเป็นนักวิชาการฝ่ายพุทธคือท่านปะ า, านนี่ท่านเป็นหลายอย่างท่านเป็นทั้นนักวิชาการท่านเป็นนักการศึกษาท่านก่อตั้งมาอัลาทียวันทันซึ่งเป็นมาอัลเทียพุทธศาสนาท่านเป็นแอคทีฟิส นโรงเรื่องสันติภาพท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเยาวชนเพื่อบริการสังคมซึ่งผลิตชาวพูดไปเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและทําให้เป็นที่ถูกระแวงของทั้งสองฝ่ายและอาสาสมัครเหล่านี้หลายคนถูกฆ่าโดยที่ไม่รู้่เป็นใครนะฮะ คล้ายกับโกมันิมทองนั่นนะแล้วก็ท่านเจ็บปวดมากนะแต่ว่าไอ้ความเจ็บปวดของท่านนี่ท่านก็เป็นนอกจากท่านเป็นกวีท่านก็สามารถที่จะเอาความเจ็บปวดนี่แปลมาเป็นบทกวีที่ไพเราะงดงามซึ่งก็มีคนรวบรวมไว้เป็นภาษาแปลเป็นภาษาไทยนะเรื่องว่าเนี่ยเรีแอคันด้วยนา ม, มาแท้จริงอันนี่เป็นลงเป็นกวีซึ่งเอ่อมันเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าท่านเอาความเจ็บปวดนั้นเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้แปลมาเป็นความเกลียดและความโกรธแต่ว่าสามารถจะแปลมาเป็นความรักความเมตตาและการให้อภัยนะเดี๋ยวตม า, า จ, จะเอาบเกวีบางตอนนี้มาเล่าให้เราฟังอ่านให้เราฟังแต่ตอนนี้กำลังจะเกริ่นว่าท่านเป็นอะไรบ้างนะท่านเป็นกวีท่านเป็น activist นะท่านเป็นนักวิชาการแล้วก็ แล้วก็ท่านก็ที่สำัญก็คือท่านเป็นเป็นอาจารย์กรรมฐานนะฮะและบทบาท ต, ตรงนี้นะเรามารู้จักท่านแันเราหมายถึงว่าพวกเราคนไทยที่ไปอาสมแปซิฟิกเนี่ยมารู้จักท่านก็เมื่อได้มาพบท่านแล้วแต่ว่าตอนที่เรารู้จักท่านครั้งแรกเนี่ยก็คือพุทนลาชาพุทธที่ทำเรื่อง ต่อตานสองครามในเวียดนามเพราะว่าตอนนั้นตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้แอคทีฟิสต์นะสนใจเรื่องอาหิงสามาลดได้ล้กม็มาได้พบงานแรกๆของท่านก็เป็นงานเกี่ยวกับอาหิงสาตอนนั้นก็อาศัยนักสึกพิณปราชญ์เรียสารเนี่ยเป็นเป็นเวทีที่นําเอางานเกียงท่านมีมาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยบทความหนึ่งที่พวกเราจําได้ดีคือบทความที่ช่วปฏิบัติการความ ประเดการาความรักเนี่ยคือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการชามพุทในเวียดนามที่เรียกร้องสันติภาพด้วยอหริงสาและสันติวิธีนะแต่ว่างานของท่านที่มีพลั ง, งจริงๆเนี่ยก็มีผลกรทกับพวกเราอย่างมากเนี่ยพวกเรามหมาถึงพวกเราในกลุ่มอิหิงสาก็คือหนังสือเรื่องปฏิหาริาการตื่นเสมอ ซึ่งพระประชาได้แปลแล้วก็พิมพ์ครั้งแรกเนี่ยในงาน60ปีหรืองานสซย์เยสอาจารป่วยยังจําได้เลยว่าตอนนั้นเออ อ, ตอตามอตามาเนี่ยซึมซับเพราะว่าเป็นคนพิมพ์ต้นฉบับ ท, ที่พระประชานิแปลแล้วก็เมื่อนึกหนังสือเมื่อนหนัง ส, สือพิมพ์มาเสร็จก็เป็นคนเอาหนังสือเนี่ยไปขายในห้องประชุมหอเล็กในธรรมศาสตร์ในหอเล็กเลยเพราะว่าเขามีนโยบายว่าห้ามตั้ง ห้าตั้งโต๊ะขายหน้าห้องแต่อาจารย์สุรักษ์เราก็ทราบดีแล้วว่ากิ๊กแพร่งเก่งก็บอกให้พวกเราเนี่ยเอาหนังสือเนี่ยไปขายในห้องประชุมเลยเพราะว่าไม่มีกฎห้ามนะไขายได้มากกว่าก็ขายได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหนึ่งคนไม่เคยรู้จักติ๊กนัดฮังสองหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือธรรมะใช่ไหมก็ขายได้บ้างนะฮะแต่ว่าต่อมาหนังสือเรื่อนี้ก็ปรากฏได้รับความสนใจมาก ไม่ใช่ก่อน6ตุลาแต่หลัง6ตุลาหนังสือเล่มนี้มันพิมพนะ์6มีนา19หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่สําคัญเพราะว่าเป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการทํางานเพื่อสันติภาพและการปฏิบัติธรรมโดยการเอาเรื่องของการเจริญสติเนี่ยเข้ามาประสานกลมกลืกับชีวิตประจําวันเวลาเราพูดถึงการเจริญสติเราก็นึกถึงการหลับตานะตามลมหายใจ แต่ว่าท่านนาทันก็บอกว่ามันมันไม่ใช่แค่นั้นเวลาเรากินน้ําเวลาเรากินส้มนะเราก็มีสติการกินส้มได้คนเวลานี่กินส้มแต่ไม่ได้แต่ว่าแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่าใจาก็ลอยใช่ไหมแต่ว่าท่านนาทันบอกว่านี่กินส้มนี่ก็เป็นการเจริญสติถ้าเรากินเนี่ยใจเราก็อยู่กับการกินซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยปากกินแต่ใจมันลืมอยู่ไหนนะ ตรงนี้คือคื อ, คอประเด็นสําคัญคือว่าการตื่นอยู่เสมอเนี่ยมันไม่ใช่มการตื่นทางกายแต่การตื่นทางใจคือการมีสติระลึกรู้อยู่เสมอซึ่งบางคนก็เรียกว่าเป็นการตื่นรู้และการที่เรามีความตื่นรู้อยู่เสมอเนี่ยในในทุกอิริยาบถเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ได้สัมผัสกับความสุขสเสน่ห์ของท่านนัทธรนเนี่ยก็คือว่า ท่านเนี่ยเอาเรื่องของความสุขขึ้นมาเป็นตัวนําคืองานหนังสือทำพุทธศาสนานโดยเฉพาะทางฝ่ายเถรวาเนี่ยเราจะพบว่าจะในเรื่องทุกข์เป็นข้อแรกเพราะว่าทุกข์นี่เป็นเป็นอริยสัจข้อแรกในในสข้อใช่ไหมฮส่วนใหพูดเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์แต่ท่านละท่านเนี่ยท่านจะได้เรื่องความสุขนะซึ่งมันก็มีสเสน่ห์สเสน่ห์เพราะว่าคนสมัยปัจจุบันเนี่ย มันอยากจะสนใจเรื่องความสุขมากกว่าแล้วเขาเขาเครียดกันมากอยู่แล้วโดยเพราะคนยุกหมายนี้เครียดนะพอพูดเรื่องความสุขเนี่ยคนก็สนใจแล้วก็ท่านก็ต้องการอันนึงส่วนก็เป็นความเป็นโกวีของท่านด้วยที่ท่านเห็นว่าท่านสามารถที่จะมีสายตาที่แหลมคมเห็นความสุขได้ในทุกผลแห่งท่านก็เชิญชวนให้เราได้ชื่นชนความสุข ความงดงามจากดอกไม้ข้างทางจากหมูม่เมฆนะเวลาพาะาทิตขึ้นพาทิตตกแม้ว่าเราจะทำงานเหน็ดเหนื่อยจะทำงานเพื่อสันติภาพหรือทำงานเพื่อสังคมก็แล้วแต่ในขณะที่เราเครียดในขณะที่เรากลัดกรุ่มในขณะที่เราเป็นทุกข์ในขณะที่เราเต็มไปด้วยความกลัวความเกลียดคนบางคนท่านก็ได้ชี้ให้เราเห็นถึงความสุขที่อยู่รอบตัวนะ ในสิ่งที่เป็นสามัญ น, นะท่านอาศัยบทกวีของท่านเนี่ยมาพูดให้เราเห็นได้แล้วแล้วก็ความสุขเนี่ยมันไม่ได้แค่อยู่รอบตัวเราที่สมัญคือว่าความสุขมันอยู่ในตัวเราด้วยแล้วมันอยู่กับเราทุกขณะเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นมันหรือเราไม่สามารถจะเราไม่สนใจที่จะสัมผัสกับความสุขและความสุขที่ อยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงได้อย่างไรกุญแจสําคัญก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเวลาท่านถึงบอกเนี่ยว่าไ อ, ไอ้การมีสติเนี่ยหรือการตื่นรู้เนี่ยมันคือปฏิหารท่านถึงเขียนหนังสือชื่อว่าปฏิหารในการตื่นอยู่เสมอซึ่งเป็นหนังสือขายดีทั้งในภาษาไทยแล้วก็ในภาษาต่างประเทศนะฮะมิเรอร์ออฟดิ้งอเวเนี่ยเป็นหนังสือที่ขายดีมากในอเมริกาก็เป็นคลาสสิก เช่นหนึ่งเช่นหนึ่งกับภาษาไทยนะพิมพ์มา30ปีแล้วปีนี้เป็น30ปีแล้วก็ยังพิมพ์ได้แล้วก็มีคนสนใจแม้ว่าบริบทของหนังสือเล่มนี้คือสงครามเวียดนามก็จะผ่านไปแล้วนะแต่ว่าสิ่งทีานเขียนเป็นอมะตะเพราะว่าคนก็ยังสงครามเวียดนามผ่านแต่ก็มีสงครามอิรักสงครามฆ่าตัดตอนนะอีกมากมายนะแต่ว่าจริงๆมนคือว่ามัน ชี้เห็นถึงความสุขที่เราสามารถจะเข้าถึงได้ทุกขณะอยู่แล้วและท่านเน้นย้ามากเลยว่าคุณจะทํางานเพื่อสังคมก็ดีคุณจะทำงานเพื่อสันติภาพก็ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณขาดไม่ได้ก็คือว่าคุณต้องค้นพบความสุขในทุกขณะไม่ใช่ทํางานไปเพื่อเพื่อความดีงานเพื่อสันติภาพของสังคมแต่ว่าตัวเองทุกตัวเองเครียดนะท่านณัดนะทานนี้ท่านจะจะเห็นว่า อันนี้เป็ น, ปนความความไร้สาระทีเดียวถ้าคุณทำทำเพื่อสังคมแล้วแต่ว่าคุณภายในจิตใจคุณแย่ภายในจิตใจคุณหม่นหมองภายในจิตใจคุณเต็มไปด้วยความโกรธแล้วคุณจะต้องสร้างสร้างต้องรือฟื้นแล้วก็เสริมสร้างสมรรถนะในการที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลาแม้ท่ามกลางความทุกข์ที่ที่ที่เกิดขึ้น และท่านนทธาเป็นคนที่มีความทุกข์มากนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลูกศิษย์ของท่านที่ท่านท่านท่านเทรนมากับมือแล้วก็ส่งไปทําไปช่วยบริการสังคมช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยในในสมรภูมิสงครามเวียดนามหลายคนถูกฆ่านะถูกฆ่าอย่างทรมา น, นมันมันมันยิ่งกว่าตอนที่พูดนำนักศึกษา ถูกฆ่าในช่วงก่อนแล้วก็หลัง6ตุ ล, ลานะแต่ว่าท่านเนี่ยท่านสามารถที่จะอยู่เหนือเหตุการณ์เหล่านี้ได้แม้คำว่าไม่ทำให้เหตุการณ์เหนี้มาทามาบ่มเพาะให้เกิดความทุกข์นะเหตุเห ต, เหตุวิธีการเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากการที่ท่านละเลยความทุกข์ความเจ็บปวดของผู้คนแต่ท่าน เรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนเอาความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยให้ให้กลายเป็นสิ่งที่ดีงามเหมือนกับที่ท่านชอบเปรี่ยบเหมือนกับต้นไม้ที่เปลี่ยนเอาขยะนะปฏิกูลให้กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามหรือผลไม้ที่หอมหวานนะท่านบอกว่าต้นไม้เนี่ยขยะกับดอกไม้เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะขยะก็กลายเป็นดอกไม้แล้วดอกไม้กลายเป็นขยะ เพราะนั้นในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยท่านไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นแค่ความทุกข์แต่ท่านจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งที่ดีงาม mm hmm. เช่นเป็นตัวที่กระตุ้นให้เราให้เกิดความเมตตากรุณาต่อศัตรูในคืนวันที่ท่านรู้ว่าลูกศิษย์คนนั้นถูกฆ่านะถูกฆ่าในในสมรภูมิสงครามเนี่ยเอาปืนจอ่อศึกษะ คือ น, นัตตทัทนรูเนี่ยท่านภาวนาและท่านเขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งซึ่งดีมากอันนั้นชื่อว่าทางกลับคือการเดินทางต่อซึ่งมีคนแปลวิสิทิ์กับสันติสุขแปลหนังสือเรื่องทางกลับคือการเดินทางต่อซึ่งเป็นหนังสือที่ฝรัง่งตัวฝรั่งเองนี่เขาบอกโอ้โหมันมันยิ่งกว่างานของดังเต้ดังเต้พอ ร, รู้จักนะดังเต้นี่เป็นกวีชาวอิตาลีซึ่งเขียนเรื่องพูทผู้ตายแต่ดังเต้มัน แต่ว่าของท่านนี่ท่านเขียนแล้วเนี่ยมันมันจะลงใจแล้วทําให้เราเกิดความรักความรักความคือเราเห็นท่านเกิดทั้งความรักความเห็นใจผู้ที่ฆ่าคือฆาตกรว่าคนเหล่านี้เขาฆ่าว่าเขาไม่รู้และในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยแม้ผู้ตายจะตายอย่างทรมานเนี่ยแต่ว่าท่านกลับเขียนบลกวีที่เหมือนว่าผู้ตายกําลังล่องเรืออยู่ และกำลังสนทนากันกำลังหัวเราะกันเสติกลิข์หัวเราะกันกระสิกฤติคือเราอ่านดูแล้วเนี่ยมันคนอ่านแล้วก็จะไม่ไม่ทุกเพราะบางทีเราก็เห็นเห็นรู้สึกสงสารคนตายเพรตายอย่างทรมารแต่ท่านเห็นมากกว่าเราท่านเข้าใจว่าคนตายแล้วนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทุกข์ทรมารอะไรนะแล้วเขาก็สามารถที่จะยกจิตเหนือเหนือความความเกลียดความกลัวได้อันนี้คือคือคือคือคือจุดเด่นของท่าน ในแง่ที่ว่าท่านสามารถที่จะมองให้เห็นถึงถึงสิ่งดีงามแล้วก็สิ่งที่เป็นกุศลท่ามกลางให้ให้ความทุกข์ร้อยรยแปและท่านก็อยากจะให้เราเนี่ยได้เห็นอย่างนี้บ้างมันมีบทกวีที่ที่ที่อตมาจะให้ให้บทกวีสั้นๆที่จะให้เราเห็นมุมมองท่านท่ามกลางเหตุหการณ์ที่มันโศกเศร้านะบทกวีที่ชื่อสัติภาพนะเป็น พวกเขาปลุกฉันเมื่อเช้านี้เพื่อบอกว่าน้องฉันถูกฆ่าในสงครามแต่กระนั้นภายในสวนกุหลาบใหม่ดอกหนึ่งกรีบดอกชื้นยังไม่มวนตัวก็ได้บานประดับพุ่มและฉันยังมีชีวิตอยู่ยังคงสูดกลิ่นหอมของกุหลาบและมูลสัตว์กินส่วนมนและนอนอีกเมื่อไรนอฉันจะทำลายความเงียบยานาของฉันได้ อีกเมื่อไรกันฉันจะสามารถเปิดคำที่อัดอั้นออกออกมาได้คือเนี่ยในคืนที่ท่านรู้ว่าคนกรจิตถูกฆ่าเนี่ยท่านยังเห็นดอกกุหลาบเนี่ยมันม้วนตัวอย่างงดงามราวกับว่าชีวิตกับความตายหรือความตายกับชีวิตนี้ไม่ได้แยกกันเมื่อชีวิตหนึ่งตายเนี่ยมันมีชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นและเนี่ยคือท่าไม่ได้เสแสร้งนะแต่ท่านเห็นแล้วก็ท่านสา ม, มารถที่จะนํามาเสนอให้เราเห็นว่า เราจะเห็นแต่ความทุกข์นะแต่เร า, าต้องมีสายตาที่แหลมคมที่จะเห็นความสุขเพราะถึงที่สุดแล้วสุขกับทุกข์มันอยู่ด้วยกันนะและตรงนี้เองนี่เป็นเป็นหัวใจของบุมมองการมองโลกของท่านนัทธันคือท่านเป็นคนซึ่งไม่ได้เห็นอะไรแยกจากกันในทุกมีสุขในสุขมีทุกข์นะแล้วก็แม้กระทั่งใน ดอกไม้กับขยะไม่ได้แยกจากกันเลยคนทั่วไปจะมองว่าขยะก็สิ่งน่ารังเกียจ ด, ดอกไม้สิ่งที่ ง, งดงามแต่ถ้าบอกว่ามันไม่ใช่ดอกไม้ก็มาจากขยะแล้วขยะก็กลายเป็นดอกกุหลาบนะตรงนี้มันสำคัญยังไงกับเราในฐานะที่เราทำงานเพราะนั้นก็บอกว่าไอ้ความดีกับความชั่วหรือคนดีกับคนชั่วเนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันเลย คนที่เป็นเหยื่อกับคนที่เป็นผู้กระทำการไม่ได้แยกจากกันในบางขณะก็เป็นเหยื่อแต่ในบางขณะเขาก็เป็นผู้กระทำการนะซึ่งเนี่ยเราเราไม่ค่อยมองการแบบนี้เท่าไหร่เพราะเรามองว่าใครที่เป็นเหยื่อนี่ก็เป็นเหยื่อเลยไอ้พวก้ายาเสพติดนี่มันเลวมันชั่วนะแต่เราไม่ได้มองว่าไอ้พวก้ายยานี่มันก็เป็นเหยื่อ เป็นเหยื่อของสังคมที่อยุติธรรมบ้างเป็นเหยื่อของค่านิยมบริโภคนิยมเป็นเหยื่อของของสังคมที่ที่ซ้ำเติมพวกฆาตกรฆ่าคมคืนเนี่ยนะเขาก็เป็นเหยื่อนะท่านท่านท่านอาจก็จะพูดว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองย้อนกับไปชีวิตใัเด็กเขาเนี่ยเขาถูกทรมานเขาถูก a b u อย่างไรบ้างเราก็มองไม่ค่อยเห็น ไอ้เหยื่อกับฆาตรกรเนี่ยมันคนเดียวกันนี่คือการมองแบบจิตวิภาวะแล้วท่านเขียนบทกวีเรื่องงดงามบนียบกยบกวีนี้มีชื่อมากชื่อว่าชื่อตามชื่อหนังสือเนี่ยเรื่องสัเด็จดำมันแท้จริงซึ่งพวกเราหลายคนก็ชอบแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะเป็นเป็นเป็นปรัชญาหรือว่าเป็นอ า, อาจจะเป็นาศาสนาทาสักหน่อย มันยาวนะแต่ว่าจะเอาสั้นๆอย่ากล่าวว่าฉันจะจากไปในวันพรุ่งแม้วันนี้ฉันก็ยังกำลังมาถึงดูให้ดีทุกวินาทีฉันกำลังมาถึงเป็นตุ่มตาแรกคลิของกิ่งไม้ยามวสันเป็นนึกเป็นนกน้อยปีกบางหัดขับขาอยู่ในลังใหม่เป็นดักแด้อยู่กลางดวงดอกไม้เป็นเพชพรพลอยซ่อนอยู่ในเนื้อหิน ฉันคือแมลงเม้าที่กำลังกลายลูกบนผิวน้ำและฉันคือนกโฉบลงขยอกกลืนเจ้าแมลงฉันคือกบแวบว่าอย่างเป็นสุขในบึงใสและฉันคืองูเขียวเลี้ยวรถกินกบอย่างเงียบเชียฉันคือเด็กในอูกันดามีตาหนังหุ้มกระดูกขาฉันเล็กบางราวลำไผ่และฉันคือพ่อค้าอาวุธขายเครื่องประหารประหารแก่อูกันดา ฉันคือเด็กหญิง12ขวบรีบภายในเรือน้อยโถมล่างลงกลางสมุทรลังถูกโจรสลัดข่มขืนและฉันคือโจรสลัดหัวใจฉันยังขาดความสามารถในการเห็นและรับฉันคือสมาชิกกรมการเมืองผู้กลุ่มอำนาจล้มฟ้าและฉันคือชายผู้ต้องจ่ายหนี้เลือดแก่ประชาชนผู้ค่อยๆตายไปในค่ายแรงงานโปรเรียกฉันด้วยนามอันแท้จริง เพื่อฉันจับอาจตื่นขึ้นและประตูหัวใจฉันประตูแห่งกรุณาจะได้เปิดนะคืออันนี้คือท่านจะเอาสิ่งที่ดูมันเหมือนขัดแย้งกันเนี่ยมาเชียร์ให้เห็นว่ามันเคลื่ อ, อนเดียวกันนะคนเราเนี่ยเป็นทั้งเหยื่อและผู้กระทําการในเวลาเดียวกันนะเพียงแต่ว่าวันนี้เราเป็นเหยื่อพรุ่งนี้เราอาจจะเป็นผู้กระทําการก็ได้อาตมาช่วมีหนังเรื่องนึงซึ่งดีมากซึ่งมาสะท้อนเรื่องนี้ ความจริงข้อนี้หนังเรื่อง Cra ชเพื่อเรารู้จักมน Crash ค, คือหนังที่ได้ารางวัลตุกตาทองหนังภาพยนตร์ดีเด่นของของปีเนี้ยคราชคราชนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางสีผิวของคนในในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียแล้วมัก็จะเห็นเลยนะฉากบางฉากฉากหนึ่งมันจะเป็นเรื่องของ ของพ่อค้าซึ่งเป็นชาวอิหร่านนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยซึ่งเป็นชาวอเมริกันเนี่ยแสดงอาการดูถูกพ่อค้าที่เป็นชาวอิหร่านหานะว่าไอ้ น, นี่เป็นพวกก่อการร้ายหรือเปล่าแต่เซเลนในฉากต่อมาพ่อค้าคนนี้ก็แสดงอาการดูถูกพวกลาตินโน่ซึ่งมาเป็นคนทคํากุญแจ ก็จะมองว่าไอ้นี่มันมันมันจะมามาโกงฉันหรือเปล่ามันจะมาทํำมิดีมิลัยมิดีมิลัยกับบ้านของฉันหรือเปล่าในฉากนึงเนี่ยจะมีจะจ ะ, จะเป็นเรื่องของตํารวจผิวขาวที่ไปที่ไปทํำมิดีมิลายคือไปไปไปค้นตัวผู้หญิงชาวผิวดําและระหว่างที่ค้นตัวนี่ก็ กเ็เขาเรียก ว, ว่าเขาเรียก ว, ว่าอะไร abuse หรือว่าแตะอ่างทำบดีมีลายแตะอ่งอ่ะนะไปลูกเข้าไปอะไรเนี่ยไปแตะอังเขานะแต่ในชายถึงต่อมาเนี่ยเขาอยู่กับพ่อพ่อเขากำลังเจ็บกําลังป่วยนะเป็นโรคร้ายแล้วก็ต้องตื่นมากลางหรือคอยมาดูแลพ่อเพื่อเราเห็นแล้วเราก็สงสารและตอนจบเนี่ยผู้ชายตารวจซึ่งมันซึ่งมันเป็นผิวขาวแล้วก็ เขาสึกเกลียกเข้ามากเนี่ยนะในสุดเขาต้องมาช่วยผู้หญิงคนดำเนี่ยซึ่งเกิดอุบัติเหตุและรถมันจะกําลังไฟไหม้เนี่ยรถคว่ำเขาต้องไปลากผู้หญิงคนนั้นออกมาเท่านั้นที่ไฟมันกิดระเบิดนะในฉากหนึงเนี่ยจะเป็นพวกผิวดําซึ่งไปปล้นไปปล้นจี้นะเป็นวัยรุ่นผิวดนำะไปปล้นจี้นะไปปล้นจี้คนธรรมดา ซึ่งมันมันแย่มาตลอดเลยเป็นนิสัยไม่ดีแล้วคราวหนึ่งเนี่ยก็ไปไปชนไปชนคนเกาหลีซึ่งกําลังกําลังจะขึ้นรถบรรทุกกำลังจะขับขึ้นรถบรรทุกไอ้คนเกาหลีนั้นเราเห็นก็สงสารมันถูกชนแล้วมันก็ถูกทิ้งแต่ในฉากต่อมาเราก็พบว่าในรถบรรทุกนั้นเนี่ยมันคือรถที่บรรทุกคนคนจีน ซึ่งถูกก็เรียกว่าทราฟิกที่ที่ที่หาทางรีพายมาในในในอเมริกาแต่ว่าต้องถูกต้องจ่ายราคาแพงและอยู่ในอยู่ในอยู่ในอยู่ในอยู่ในรถตู้นั้นเนี่ยอย่างทรมานนะคือไอคนเกาหลีนี่มันเป็นเหยื่อที่องุ่สารแต่ว่าในชานโอนมันมันมันผู้อิทธิพลนี่ว่ามันกำลังมันกลังหาห า, หากินกับ คนาคนจนชาวจีนใช่ส่วนไอ้ไอ้คนดำหนึ่งซึ่งมันเลวมาตลอดเลยนะแต่ว่าพอมันชนคนคนเกาหลีแล้วมันได้รถคันนั้นมันก็รถมันไม่รู้นะในรถคันนั้นเนี่ยมีอะไรก็เอาไปให้ร้านที่เขาจะมาจะมาจะมาถอดเลือและพบว่าในนั้นเนี่ยมีคนจีนสัก20ิคนได้ และเจ้าของเจ้าของอูนะเนี่ยขอซื้อคนจีเหล่านั้นเนี่ยหั ว, วละสิกร้อยเหรียญหรือห้าสิบเหรียญแต่ไอ้ดำมันไม่ให้ไม่ยอมแล้วเรื่องก็จบตรงที่ว่าเขาเอารถขับรถไอ้คันนั้นเนี่ยไปปล่อยที่ไว้ที่ใช่หน้าทางแล้วก็เดินออกมาคือปล่อยให้เป็นสระคือคือเรื่องนี้มันจะเห็นเลยว่าคนเราเนี่ยนะมันจะและจะให้เงิน เท่าที่มีเงินกับป่าพวกทั้งหมดร้อยกว่ให้ด้วยใช่ไหมให้เงินไปกินข้าวแล้วใ ห, ให้ให้โพวกนั้นซึมก็ไปนในจนนันทกาอคือคือไม่เห็นเลยว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งสองด้านไงใช่ไหมมัน ม, มันเป็นทั้งเหยื่อและเป็นทั้งฆาตกรหรือว่าเป็นทั้งอจักกรซึ่งอันนี้เนี่ยนี่คือมุมมองของทธนพันธ์เนี่ยคือว่าในโลกซึ่งเวลานี้เรามองอะไรเป็นตำเป็นข่าวเนี่ยแต่ที่จริงไม่ใช่นะ เงาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีแสงใช่ไถ้าไม่มีเงาก็ไม่มีแสงใช่ถ้าไม่มีแสงก็ไม่มีเงาสิ่งที่ดูดูตรงข้ามมันเนี่ยมันต้องอาศัยกันท่านที่เห็นว่าในในในสิ่งซึ่งตรงข้ามนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ท่านทำให้เวลาท่านมาทำงานเพื่อเวลาท่านมาทำเรื่องเรื่อง เรื่องต่อต้อตานสงครามเวียนนานท่า น, น ถ, าถึงเกลียดเกลียดรัฐบาลไม่ลงทางด้านที่รัฐบาลไหลก็อาจจะมีส่วนในการฆ่าคนของท่านท่านเกลียดพวกคอมมิวนิสต์ไม่ลงท้งที่พวกนี้เนี่ยก็ระแวงท่านเพราะท่านก็เห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีบางด้านที่เขามีทั้งบางด้านที่ดีและที่ไม่ดีพวกนี้เนี่ยและไอ้ด้านที่ไม่ดีก็เพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจ คนเหล่านี้ก็เป็นเหยื่อนะเวลาท่านไปไปไปพูดให้กับคนที่ทำงานด้านสันติภาพในอเมริกาเนี่ยหลายคนเกลียดบชเกลียดบชเี ย, เยทั้งทั้งบชทั้งพ่อบชพ่อและบชลูกนะแต่ท่านก็บอกอ้คนเหล่านี้เนี่ยบชก็เป็นพทิสันนะท่านก็พยายามเตือนให้เห็นว่าในแง่หนึ่งเนี่ยเาก็มีส่วนที่ดีและในแง่หนึ่งเขาก็เป็นเหยื่อของสถานการณ์ แล้วท่านก็เตือนนะนะว่าบางทีเราก็ไม่ต่างจากบูช เ, เราโกรธเราเกลียบบูชว่าเราแน่ใจได้ไงว่าเราไม่ได้เราเราตายอะไรจากบูชนะซึ่งถ้ามองในสังคมปัจจุบันคือว่าที่เราด่าทักสินทักสินเนี่ยบางทีไอ้สิ่งที่ในทักสินก็อยู่ในตัวเราเหมือนกันนะสิ่งชั่วอะไรนะครับสิ่ก็จะอยู่ในตัวเราเหมือนกันนะ การที่เราว่าเขาว่าเขาเนี่ยเราก็คิดแบบทักษิณเหมือนกันนะคือท่านพยายามบอกว่ามันสิ่งซึ่งตรงข้ามกันเนี่ยมันไม่ได้แยกกันเป็นตะเป็นเขาแต่มันอยู่ด้วยกันความดีความชั่วเนี่ยคือคนเรามักจะบอกว่าคนดีก็พูกหนึ่งคนชั่วก็พูกหนึ่งแต่ท่านบอกว่าให้ความดีความชั่วมันอยู่ด้วยกันนะปัญหาที่ว่าเราจะเราจะเราจะ ส่งเสริมให้ส่วนไหนขึ้นมานะี่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นเป็นคุณอุปการทั้งในเชิงของจิตวิญญาณและในเชิงของการทำงานเพื่อการเมืองคือมุมมองแบบนี้มันเป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการดาเนินชีวิตประจาวันและการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างสารรค์สังคมนะเพราะว่าในระหว่างที่เราทุก ต้องหัดมองเห็นความสุขนะในการที่เราเกลียดใครเราก็ต้องมองดูว่าไอ้สิ่งที่เราเกลียดนั้นเนี่ยมันอยู่ในตัวเราหรือเปล่าใช่ไหมจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยใครจะไปรู้สิ่งที่เราเกลียดเนี่ยมันอาจจะเป็นการฉายความไม่ดีของเราลงไปในคนนั้นก็ได้ถ้ายุตัวอย่างว่ามีเด็กเด็กอายุสิบสองเนี่ย นะเด็กยี่สิบอ็ดผู้ชายเนี่ยทำอะไรผิดทำอะไรพลาดนี่พ่อก็ดา่าพ่อก็ว่านะเสร็จแล้วเด็กคนนี้ก็มีน้องนะพอน้องทำอะไรผิดไอ้เด็กคนนี้มันก็ใส่น้องเหมือนกันในะส่น้อง ว่าไม่ได้เรื่องอะไรต่างแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยสักพักมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไอ้ น, นี่เราไม่ต่างากับพ่อเราเลยนะเราเกลียดพ่อเรานะเพราะพ่อเราเนี่ยนะหยาบคายกับเราแต่เราก็ทํากับ น, น้องของเราเหมือนกันให้เด็กนี้ก็มาเล่าให้ท่านอาจารยงฟังว่า เออจริงมันไม่ได้ไอคนที่เราเกลียดหรือสิ่งที่เราไม่พอใจเนี่ยที่จริงอาจจะอยู่ในตัวเราก็ได้นะดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่ที่เราต้องมีความมีสติระลึกตุกระลึกรู้แล้วท่าบอกสติในสําคัญเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ทําให้เราเห็นความสุขในชีวิตประจําวันเห็นความสุขในทุกขณะ แม้ว่ารอบตัวเราจะทุกข์อย่างไรแต่ขณะเดียวกันสติเนี่ยมันจะสามารถที่แปลเปลี่ยนความทุกข์และอกุศลในใจเราให้กลายเป็นความสุขแล้วก็สิ่งดีงามได้ท่านเปลี่ยนเมื่อกว่าเด็กร้องไห้เนี่ยนะเมื่อแม่เข้าไปเข้าไปโอบ ก, กอดด้วยความนุ่มนวลเด็กที่ทุก ก็จะกลายเป็นสุขเด็กที่ร้องไห้ก็จะหายร้องไห้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสท่านบอกว่าเวลาเรามีความทุกข์เวลาเรามีความโกรธความเกลียดเนี่ยขอให้เราอ้าแขนรับด้วยสติแล้วสตินี้มันก็จะแปลเปลี่ยนนะความทุกข์แปลเปลี่ยนความโกรธความเกลียดนะให้กลายเป็นความรักความกรุณาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเวลาเราเจอความทุกข์เวลาเราเจอสิ่งที่ความโกรธความเกลียดภายในใจเราเนี่ยหรือความชั่วแล้วในใจเรา เราไม่ต้องไปปฏิเสธมันเราไม่ต้องปฏิเสธเพียงแต่เราอ้าแขนรับนะด้วยความยิ้มแยม้มนะก็จะมันก็จะแปลเปลี่ยนไป่ทนะ่านเขียนงี้ท่านเขียนไ้สวยงามที่จะมาพูดมันไม่ค่อยพร้อเท่าไหร่สติจะทำให้สิ่งต่างๆเช่นดวงตาของเราหัวใจของเรา การไม่ปวดฟันของเราดวงจันทร์ที่สวยงามและต้นไม้มีความลึกซึ้งและสวยงามขึ้นหากเราสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้อย่างมีสติมันจะเผยความงดงามของมันออกมาอย่างเต็มที่เมื่อเราสัมผัสกับความเจ็บปวดของเรายังมีสติเท่ากับเรากำลังเลือกเปลีป่ยนแปลงนันถ้าหากเธอกลัวความบาดกลัวมันก็อาจจะครอบงาเธอได้ แต่ถ้า เ, เธอเชื้อเชิญให้มันขึ้นมาอย่างสงบและยิ้มให้มันอย่างมีสติมันจะสูญเสียพลังไปถ้าเธออาแขนรับความทุกข์เล็กๆน้อยๆด้วยความมีสติมันจะเปลี่ยนแปลงไปภายในไม่กี่นาทีเพียงแต่หายใจเข้าออกและยิ้มให้มันพนั้นงสติน่ถึงสําคัญนะในแง่ที่ว่ามันมีพลังในการเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆในใจเราคนเราเวลามีความกลัวความเกลียดนี่เรามักจะปฏิเสธเรามักจะกรบมานาันเอาไว้นะแต่ท่านประธานบอกว่าคุณไม่ต้องทํำแรงมันหรอกเพียงแต่ยอมรับมันตามที่เป็นจริงด้วยสตินะและสติก็จะเปลี่ยนนะสิ่งเหล่านี้มาได้เองซึ่งอันนี้ก็คือหลักพุทธศาสนาเนี่ยคือการมีสติรู้ตัว พระเจ้าตรัสว่าเวลาเจอมารเนี่ยมาร์นี่มันจะมาหลอกจะล่อจะมาขู่ให้เรากลัวยอย่างไรก็ตามหรือบางทีจะมาแผลงฤทธิ์อย่างเช่นพระโมคคัลลานะเนี่ยโดนมารก็ามาสิงในท้องนะปั่นป่วนบางทีมารก็มาหลอยพูะเจ้าบอกว่าไปเป็นพระจกักไปไปคลองราดดีกว่าจะได้ไปทําปียกให้แก่มนุษยชาติได้มาอยู่ในปายย่าที่จะมีเปียกอะไร แต่ว่าวิธีการที่ใช้ก็คือว่าให้เพียงแต่รู้ว่าเนี่ยมาร น, นี่คืออุบายของมาร น, นะเจ้าคือมารร้ายนะเพียงรู้เท่านี้เนี่ยมันก็หายตัวไปเพียงรู้เท่านี้เนี่ยมันก็อับอายลวที่มีคนรู้ว่ามีคนรู้ทันนะอันนี้ไอ้ตัวไอ้ตัวรู้เนี่ยคือ ส, สตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็คือการเปลี่ยน มันไม่ต่างจากรากไม้หรือต้นไม้ที่เปลี่ยนขยะนะให้กลายเปน็นดอกไม้เพราะมันคืออันเดียวกันขยะกับดอกไม้คืออันเดียวกันความกลัวและ gravity, ความเมตตานะมันแปลเปลี่ยนกันได้มันแปลเปลี่ยนกันได้เพราะฉะ น, นั้นเนี่ยถ้าเราเพราะนั้ น, น, น, น, นท่านก็คือท่านก็หาวิธีที่เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรารู้จักใช้เป็นประโยชน์ ประเด็นต่ตมาที่วนี้เนี่ยนี่คือมุมมองแบบที่เรียกว่าที่สําคัญมากในการดําเนินชีวิตที่เราเรียกเป็นมุมมองแบบอัตวิภาว่าคือการมองแบบไม่ไม่เป็นดําเป็นขาวการมองแบบที่เห็นว่าไอ้สิ่งที่เป็นที่อาจารย์พูดทาเรียกว่าไอ้คู่ตรงข้ามการมองเป็นคู่คู่เนี่ยนะมันทําให้เราหลงและนี่คือปัญหาของคนยุคปัจจุบันคือมองอะไรเป็นดําเป็นขาวหรือ จะจำบุตรอาจารย์ประเวศเรียกว่ามองแบบดิจิตอลคือศูนย์กับ1ถ้าไม่ศูนย์กับ1ไม่1กับ0นะแต่มันมีการมันเราไม่ได้มองอะไรที่มันเห็นไม่เห็นว่าไอ้ขาวกับดามันอยู่ด้วยกันนะเหมือนกับร้อนกับหนาวนี่ก็อยู่ด้วยกันสั้นกับยาวอยู่ด้วยกันนะไม้บรรทัดมันยาวเมื่อเทียบกับดินสอแต่มันสั้นเมื่อเทียบกับไม้เมตรนะพระเจ้าบอกว่าในความความตายมีอยู่ในชีวิต ความเจ็บป่วยอยู่ในความไม่มีโลกนะและความแก่อยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยวิธีมองแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีมองซึ่งเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งสาคัญนะซึ่งมันมันช่วยทำให้เราเรามองโลกเนี่ยอย่างเข้าใจแล้วก็อย่างเห็นใจมากขึ้นนะแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมัน คนเรากำลังตกอยู่ในการมองแบบเป็นดำเป็นขาวซึ่งทำให้เราเรามองคนเป็นศัตรูได้ง่ายนะถ้าใครไม่ไม่เห็นด้วยกับทักษิณก็เป็นศัตรูกับเราหรือถ้าใครเห็นด้วยกับพันธมิตรนะก็เป็นศัตรูกับเราอะไรเงี้ยนี่คือการมองแบบเป็นดำเป็นขาวซึ่งอันนี้เนี่ยคือคุณอุญประการของทานรัธรรนที่มีต่อขอบวนการสันติภาพ หรือเพราะในอเมริกามากแล้วก็ขณะดเดียวกันท่านก็ใช้มุมมองแบบนี้แหละมาในการดำเนินชีวิตนะและนี่คือทาให้นี่คือเหตุผลทำไมท่านถึ ง, ท, ถงท่านถึงเชื่อในเรื่องอหิงสานะท่านไม่เชื่อว่าความรุนแรงจะเป็นคำตอบนะเพราะทันทีที่เราใช้ความรุนแรงจัดการกับพวกที่มันชั่วร้าย เราก็กลายเป็นคนชั่วลายเสยเองใช่ไหมฮเพราะเมื่อเราจัดการเขาด้วยความโกรธด้วยความเกลียดต้ก็เท่ากับว่าเรากําลังลดน้ําบุ ม, พมเพาะเมล็ดพันธุ์ในความโกรธความเกลียดในใจเราคนชั่วตายไปแต่ความชั่วไม่ได้ตายไปด้วยเพียงแต่มันย้ายจากคนชั่วมันย้ายจากนายกรมาอยู่ที่ตัวเราะ เพราะว่าไอ้ความดีความชั่วมาอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะแต่พอเราไม่ได้มองอย่างนี้เราไปมองว่าฉันเป็นคนดีแกเป็นคนชั่วเพราะฉะนั้นฉันเป็นคนดีฉันมีสิทธิ์จัดการกับแกไอ้การมองแบบนี้นี่มันสร้างปัญหาเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยนอกจากมันจะไปสร้างความทุกข์ให้แกแกในกอซึ่งถูกกําจัดถูกฆ่าแล้วมันและสร้างความทุกข์ให้แกยากรีนองเขาแล้วมันยัง ันทนและมันทำลายตัวเราด้วยเพราะมันทำลายความเป็นมิตในตัวเรามันทำให้เราโกรธเราเกลียดมากขึ้นและเราก็กลายเป็นคนชั่วแทนไอ้คนที่เราจัดการนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องระวังตัวนะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเพราะว่าเราก็รู้ว่าในตัวเรามีทั้งมีทั้งความดีและความชั่วอยู่นั้นเวลาเราจะทาอะไรเนี่ยถ้าเราใช้ความรุนแรง หรือเราใช้วิธีที่เป็นอสัต์อธรรมเนี่ยมันก็เท่ากับให้ทําให้ความชั่วในตัวเราเบ่งบานมากขึ้นนะท่านนัทธานจะเน้นมากเลยนะระหว่างต้องแยกระหว่างคนเดียวความระหว่างคนชั่วความชั่วนะสิ่งที่เป็นศัตรูของเราสิ่งที่เป็นศัตรูของมนุษย์เนี่ยมันคือความชั่วนะไม่ใช่คนชั่วนะเพราะฉนั้นท่านานั่นได้เขียนบทกวีไว้เหมือนกันนะฮะ ท่านจะพูดถึงเรื่องของศัตรูที่แท้จริง<ม>ท่านท่านจะเตือนเราไว้ท่นเสียไว้แนี้ว่า สัญญากับฉันสัญญากับฉันวันนี้สัญญากับฉันเดี๋ยวนี้ขณะที่ตะวันอยู่เหนือศีรษะณจุดจอมฟ้าสัญญากับฉันแม้ว่าพวกเขาจะประนํำเธอลม้มลงจะด้วยคุณเขาเห็นความรุนแรงและเกลียดชังแม้เขายี่เมเยดบทขยี้เธอราวตัวหนอนแม้เขาสับเธอจนแหลกและคว้านไส้ผุงเธอจงจาไว้น้องชายจงจาไว้มนุษย์ มิใช่ศัตรูของเราสิ่งเดียวที่เธอปรุงยึดถือคือเมตตาเมตตาไร้เงินไขไร้ขอบเขตและดินดวงคงกัะพันความเกลียดชังจะไม่อยอมให้เธอเผชิญหน้าสัตว์ร้ายในตัวมนุษย์คือท่านจะเน้นเลยว่าสัตว์มนุษย์มิใช่ศัตรูของเราไอ้ศัตรูของเราคืออะไรศัตรูของเราคือความเกลียดชังศัตรูของเราคือความไม่รู้นะศัตรูของเราคือความโกรธความเกลียด และศัตรูของเรามันก็ไม่ได้อยู่นอกตัวศัตรูของเราอยู่ในใจเราด้วยและสิ่งที่เราทํากับผู้อื่นนี่แหละมันจะไปมีผลต่อศัตรูของเราที่อยู่ภายในใจว่าเรากําลังบ่มเพาะศัตรูภายในใจของเราให้งอกงามขึ้นหรือว่าเรากําลังจะ ลดทอนให้มันอ่อนแอลงหรือเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นความรักความเมตตาหรือความสุขงนะัตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งซึ่งมีความหมายนะทั้งต่อการสร้างสรัรชีธิ์ที่ดีงามแล้วก็ต่อการสร้างสังคมให้เป็นสุข ประเด็นสุดท้ายแต่ทำไมาคิดว่าสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับมุมมองท่านนักพัก็คือการมองอะไรเนี่ยแบบเชื่อมโยงสัมพันธ์นะถ้าเราใช้คําของพุทธศาสนาประเทศแล้ว่าก็คือว่าอิทัิปัจจยาตานะแต่การมองแบบอิบทัปปจยตาของท่านเนี่ยมันเป็นการมองที่ลึกซึ้งนะกว่าที่เราเข้าใจ อย่างเช่นทันยุญญตอย่างกระดานเนี่ยกระดานนี่มันก็เกิดจากอะไรถ้าบอกเวลาเรามองกระดาษ น, นี่มองให้ลึกซึ้งนะเราจะเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เห็นเมฆเห็นภูเขาเห็นป่าเห็นผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่ทาให้เกิดกระดาษขึ้นมาใช่สิ่งที่ไม่ใช่กระดาษ น, นี่แหละมันนาไปสู่กระดาษแผ่นนี้ กระดาษเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่กระดาษนะและเมื่อเรามองกระดาษให้ดีเราก็จะเห็นทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาล น, นี่คือการมองแบบสหสัมพันธ์นะซึ่งเป็นเป็นจุดที่เป็นจุดเด่นของท่านนัดทานแล้วก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นเรตมาร์กอันหนึ่งนะของท่านที่ท่านยำ้ำนะซึ่ง ถ้าเรามองแบบนี้ให้ลึกซึ้งนี่จะมันจะเข้าใจเรื่องอนัตตานะว่ากระดาษที่มันไม่มีตัวตนเพราะเห็นนี้เพราะกระดาษมันเกิดขึ้นมาจากจั ก, กรวาลทั้งจั ก, กรวาลไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนของกระดาษจริงๆเลยนะกระดาษนี่มันมาจากทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเราแต่ละคนเนี่ยก็เป็นผลรวมของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อ ย, อยู่ที่อยู่นอกตัวเรา เรากับโลกนี่ไม่ได้แยกจากกันเราคือผลผลิตของโลกอันนี้นก็ตรงหลั ก, ล ก, ลกพุทธมหายานที่เรีกว่า all in one และ one in all นะมันไม่ใช่แค่ two in one นะมัน all in one เลยในในกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยมันมันจุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสาวคนจั ก, กรวาล มันเป็นผลผลิตของสิ่งทั้งปวงในสามคนจักรวาลเช่นเดียวกับเราแต่ละคนนะก็เป็นผลผลิตของทั้งสังคมไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแต่ว่าสาวไปถึงบรรพบุรุษซึ่งไม่รู้ว่ากี่กิพภพกี่ชาตนะิสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็น ตัวเราจริงๆแต่มันเป็นผลผลิตของของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากับโลกนี่ไม่ได้จะไม่ได้แยกจากกันและขณะเดียวกันโลกนี่ก็ได้รับอิทธิพลหรือเป็นผลผลิตของเราด้วยนะที่ถึงเรียกว่า one in all นะไอ้มอรันนี่มันไม่ใช่เป็นมอมแบบปรัชญาสวยหรูอย่างเดียวหรือไม่ได้เอาไว้เพื่ อ, อเพื่อพูดนะ โตคารวมกันแต่ว่าเพื่อที่จะทําให้เราเกิดความเกิดความรักความเข้าใจไอ้สองคำนี้ก็เป็นคําสําคัญของท่านานักทนะความรักและความเข้าใจก็คือปัญญาและกรุณาในพุทธศาสนาคือถ้าเราเห็นเห็นโลกอย่างลึกซึ้งและเราเข้าใจในสหสัมพันธ์นี้เราก็จะเกิดความรักความเมตตาเราจะรักโลกเราจะรักเพื่อนมนุษย์เพราะเรารู้ว่าทั้งหมดนี่ก็คือ สิ่งที่ทำให้เป็นเราทุกวันนี้การที่เรามองไม่เห็นสาสัมพันธ์นี่มันทำให้เราเห็นซึ่งกันและการเป็นศัตรูที่จะเอาเปรียบหรือทำลายหรือตักตวงประโยชน์แต่ถ้าเราเห็นว่าทั้งหลายทั้งนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเราเราก็จะเกิดความผูกพันและเราก็จะเกิดความรักซึ่งอันนี้เนี่ย ผู้เจ้าก็ตับไปเหมือนกันว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้เนี่ยแทบจะไม่มีใครแมแทบจะไม่มีเลยสักคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของเราไม่ว่าในชาติใดชาติหนึ่งพุทธศาสน า, าไปถึงคันนี้เลยนะซึ่งก็้วนะ ก, ก, ก็ก็ไม่แต่ที่ท่านรัันพูดคือมันมันเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่แค่สัมพันธ์กันในปัจจุบันแต่ว่าสัมพันธ์กันย้อนหลังไปถึงอดีตชาติได้มากมายให้การมบันนี้นมันช่วยทําให้เกิดความรักความเห็นใจกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้เร า, เ อ, าอยู่ร่วมกันไบ้อย่งสนิทสุมก็คิดว่าคงพอจะสรุปสาระสําคัญของท่านนัดทัไว้ไดไ้ไว้ที่เป็นแก่นแก่นก็คงจะ มีเท่านี้นะที่จริงมันคงมีมากกว่า น, นี้แหละแต่ว่าแต่ว่ า, าจะยืดจะยืนเยอะหรือว่ายืดยาวไปเอาเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันอ๋อไม่ขัดแย้งล้มันเป็นแค่กลวิธี<ม>เพราะถึงที่สุดพุทธศาสนาก็พูดเรื่องความสุขตัวนิโรธเนี่ย<ม>ตัวนิโรธเนี่ยเป็นเรื่องความสุขใช่ไหมนิพพานก็คือความสุขหรือว่า ที่พระเจ้าบอกว่าไม่สุขอื่นอยู่ความสงบไม่มี uh huh. ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องความสุขแต่ว่าวิธีการที่พระูเจ้าใช้ในสมบัตพทธการเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยทุกข์เพราะว่าคนมีความทุกข์อยู่แล้วอย่างเช่นพระยัสสาเนี่ก็บอกที่นี่ทุกหนที่นี่วุ่นวายหน่อยเนี่ยพอพูดเรื่องทุกข์คนก็สนใจเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่ตัวเองประสบอยู่ปัญหาคือว่าอันนี้มันกลายเป็นสูตรสำเร็จของพูดไปจงมาทั่งฝลั่งเขารู้สึกว่าพุทธศาสนาที่เป็นเพลสิมิสใช่ไหมท่านก็พเพียงจะเปลี่ยนเอามาพูดเรื่องสุขใช่ไหมเพราะว่าคนเวลามันได้ยินพุทธศาสนาก็เห็นแล้วเดี๋ยวก็จะมาพูดเรื่องทุกข์อยูแล้วกูเบื่อแล้วพอพูดเรื่องสุขโอ้พึงเลย ใช่ไหซึ <cues> <das convert is> ่ง <benim> นี้ก็ก็เป็นก็เป็นก็เป็นภาพเดียวกับหลวงพ่อหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาเนี่ยเวลาเราดูภาพของท่านในในวัดตางเมืองไทยเนี่ยจะเห็นหน้าบึ้งแต่ว่าไปวัดอมรวดีเนี่ยภาพของหลวงปู่ชาที่เด่นก็คือภาพเส้นกลางยิ้มคือฝรังเนี่ยเวลาพูดว่าเออครูบาอาจารย์เขายิ้มเนี่ยแสดงว่าเขาเขามีภูมิธรรมคั้สุขขั้นสูง แต่พระไทยจะมายิ้มไม่ได้ต้องขลุไมไว้ก่อนใช่ไหมยิ้มหาว่าทะเล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมดังนัอาจารย์มั่นเนี่ยบึ้งหลวงู้่อชาเนี่ยภาพในเมืองไทยเนี่ยบึ้งแต่ไปไปเมืองนอกว่าอะไรอย่างนี้หลวงพ่ชายิ้มแย้มแจ่มใสคือมันเป็นอุบายอแต่จริงแล้วถึงที่สุดก็ผู้าศาสนาจะพูดเรื่องทุกข์แค่ไหนก็ตามทีสุดก็พาไปสู่นิโรธ ก, ก็คือความสุข เลยเนี่ยมาเลี้ยงในเมืองไทยะจะเป็นยังไงมันก็ใช่ไง<ม> ก, ก, ก็คือว่ามันไม่แน่นอนไงใช่ไหมมาเลยมาเลยที่เป็นแบบที่คิดแบบไทยก็มีใช่ไหมไทยที่คิดแบบมาเลย ก, ก็มีครับตรงนี้เนี่ยถึงสุดท้ายเนี่ยมันก็ม น, มนุษย์เหมือนกันเพราะมันที่สุดแล้วก็เป็นมนุษย์ก่อนที่จะเป็น เมือ่อเมื่อคลอดออกมาแล้วก็เป็นมนุษย์ก่อนที่จะเป็นคนไทยเป็นมาเลยใช่ไหมเมื่ออาหารเมื่อของไทยเวลาเนี่ยของไทยเวลานี้เนี่ยอะไรบ้างที่เรียกว่าของไทยอ่ะไอบอลบอลโลกนั่นนหละไอบอลลูกนั้นแนหะเป็นไทยวะ ม, มันชื่อฝรั่งอะอดิดาสนอะใช่ไหมเวลาเนี้เถียงกันมากเรื่องต้นกําเนิดของสินค้าทําไมเถียงกันมากในในเรื่อง fta ออะ เพราะเวลานี่มันเป็นสมมุติไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมีสัญชาติที่ไหนอะมันคอมพิวเตอร์เนี่ยชิ้นหนึ่งผลิตที่โนนที่มาเลเซยอีกชิ้นหนึ่งมาผลิตที่ไทยอีกชิ้นหนึ่งไปผลิตที่เกาหลีกเกาหลีว่าสัญชาติมันคืออะไรสิ่งพิุ้๊นี้ไทยหรือจีนสมมุติ ว, ว่า คนอแตกต่างันแต่เราเห็นอาจจะคล้ายๆกันทั้งหมดครับว <c oughs> <c oughs> ่าถ้ารวมกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้เราเรียกลักษณะทั่วไปของแต่ะสิ่งที่อยู่ในรัาเฉพาะนี้เราเรียกว่าเียมอันนี้เรียกว่าเป็นายนนี้เรียกว่าเวลามันก็มีความแตกต่างกันในักษาทั่วไปที้มันเป็นอย่างนั้นนั้นเราจะเราจะมักจพยายามเียกมองใว่าทุกอย่างมันถึงสมบูรณ์คือเารู้สึกเอาแบบเอาที่ตั้งโดยโดยความ้ใจรกอก็ไม่เชิงเราที่คุณใช้คำว่าเราเรียกว่าเราเรียกว่ามันแหละ ไอ้คำว่าเราเรียกว่านี่นคือคำว่าสมมุติสมมุติภาษาไทยกับสมมติบาลีหรือภาษาพุทธศ า, า, าสนาไม่เหมือนกันน ะ, ออะไอ้เราเรียกว่าเราเรียกว่ามันก็ชื่อ<น>ใช่ไหมชื่อคุณก็เปลี่ยนใช่ไหมคุณเปลี่ยนแล้วตัวคุณเปลี่ยนนะว่าเวลาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนสัญชาติตัวคุณเปลี่ยนนะว่า<น>อันนี้นนนชื่อไงชื่อสมมุติ ใช่สัญชาติก็สมมุติเปลี่ยนได้วันนี้เป็นมาเลยพรุ่งนี้เป็นเยอรมันก็ได้เปลี่ยนได้บนี่คือสมมติวชื่อไม่เปลี่ยนแต่ตัวเปลี่ยนชื่อเล็กๆก็ชื่อนี้แต่โตแก่ก็ชื่อนี้ชื่อไม่เปลี่ยนอาคํแต่ตัวเนลี่ยนเดี๋ยวนั้นแต่ว่ามันเป็นปัญหาของโลกสมัยใหม่เรียต้องเป็นลักษณะของ modernity เลยนะ โมเดิร์นนเนี่ยจะมองเลยเป็นขาวเป็นดําเช่นแยกศาสนากับการเมืองจากกันแยกอย่างเล้วไทยเราเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาในไทยเปลี่ยนแปลงก็เพราะโมเดิร์นนเนี่ยเช่นเราต้องการพัฒนาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ก็เอาโรงเรียนแยกออกจากวัดกิจการอะไรที่เกี่ยวกับสังคมก็แยกมาจากวัดรัดมาทําเองการศึกษาสาธารณสุข ความบันเทิงความมั่นคงปลอดภัย<ๆ>ก็จะถูกก็จะเลือกเากสมัยก่อนนี่คือจะผูกพันในตวันสมัยก่อนที่โลกก็ทําไม่ได้แยกกันสมัยก่อนโลกก็ทําไม่ได้แยกกันยกตัว<ๆ><ๆ>อย่างเช่นหน้าที่ของผู้ปกครองก็คือว่าไม่ใช่แค่เพื่อบำบัดทุบำรงสุขแต่เพื่อพาประชาชนให้เข้าถึงนิพพานอันนี้<ๆ>อันนี้เป็นอย่างน้อยก็ก็เป็นเป็นปริญญาที่พูดเอาไว้ทําหรือไม่ทําเรื่องเนี่แต่ว่าก็พูด อย่หน้าที่ของกษัตริย์คือต้องทำให้ประชาชนมีศีลธรรมแล้วถึงขั้นนิพพานเรียกว่าพาพาประสมนิกกรเนี่ยเข้าสู่พุทธภูมิเลยเอาถึงขั้นนั้นเลยนั้นการเมืองนั้นโลกกัธรรมไม่ได้แยกจากกันนะพระนี่ก็ทํางานทั้งโลกด้วยพระนี่ก็เก่งเรื่องช่างเรื่องหลอพระเรื่องทำว้า เรื่องราษฎร์เรื่องทำเครื่องดงนตรีไม้ทางต่อยมวยใช่ั้ยคือสคนสมัยก่อนไม่ได้แยกโลกกับธรรมออกจากกันมาสมัยปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งต้องเรียกว่าเป็นลักษณะของโมเดิร์นิตี้ที่แยกออกจากกันนะแยกไม่ใช่แยกเฉพาะาศาสนากับการมีออกจากกันไม่ใช่แยกระหว่างรัฐกับาศาสนาจากออกจากกันเท่านั้นแต่ว่ายัางแยกเช่นแยกกัเป็น เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ศาสตร์ไม่เกี่ยวกันใช่การพัฒนากับการอนุรักษ์แยกจากกันใช่ไหมเป็นส่วนๆก็ถึงนี่คือความสำเร็จของโมเดิร์นิตี้คือมันมีสเปเชีย i ไ a t i o เชันใช่คุณทำโรงงานสำเร็จได้พอไรเพราะว่าใช้วิธีแบบฟอร์ดแยกเป็นส่วนๆส่วนๆส่วนๆไม่เกี่ยวข้องกันหน้าที่ของคุณก็คือไข ใ, ใช่ใช่คือแยกส่วนเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่คุณทำรถเนี่ยคุณทำทั้งทั้งทั้ ง, งคันนะคือความสำเร็จของมเดลิตี้คือการแยกส่วนแต่ความแยกส่วนพอมันแยกเกินไปเช่นร่างกายเนี่ยอ้าวหม อ, อคุณดูตานะอีกคนดูหูอีกคนดูปากอีกคนดูคอนะใช่แล้วก็คุณแยกกายกับใจออกจากกันสมองก็กายกับใจคนละเรื่องไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไ คือนี่คือลักษณะของสมัยใหม่ซึ่ง ม, มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโลกวัตถก็เป็นผลผลิตหนึ่งของความเป็นสมัยใหม่ใ่ธุรกิจกับศิลธรรมด้วยใช่ที่เขาเรียก Post ่ postmodern พอถึง postmodern มาไม่แยกแล้วระหว่างผู้สังเกตผู้ถูกสังเกตไม่แยกแล้ว modernity คือผู้สังเกตผู้ถูกสังเกตเกี่ยวข้อง s u b j e c t i v o b j e c t i v i t แยกจากการชัดเจนใช่ แต่พอถึงโพสต์โมเดิร์นมันคลุมเครือแล้วเส้นแบ่งไม่ชัดเจนแล้วผมขออนุ ญ, ญาตเออ่นำประเด็นเสริมวิธีการแยกส่วนของฟอร์ที่ทำคือใครมีหน้าที่ใครสกุูใครไปใครมีหน้าที่ตีไอ้เน็ต